ที่พาไปข้างหน้าเนี่พาไปดูนนั้นนะดูว่าใครจะเห็นไม่เห็นในห้องครัวกับห้องน้ำํำยังอื่นมีใครเห็นอะไรบ้าง<ม>ในสิ่งที่หลวงพ่อต้องการให้ดูเรายัางไม่เห็นนะเดี๋ยวนี้นะเห็ น, นตัวเองเดือเห็นต <laughs> ัวเองเดือดอันนี้อันนี้แน่นอนเห็นแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อต้องการให้เห็นก็คืออนุสาวรีดําๆแล้วก็เห็นทำไม่ไม่บอก เออนั่นน่ะต้องการให้ไปดูสิ่งนั้นขอให้นักแม่หลวงก็แม่นั่นน่ะน่าจะบอกกันว่าเห็นสิ่งนั้นมีฝรั่งคนหนึ่นงถามมาตมาว่าไ อ, อ้บอกว่าศ า, ศาสนาของคุณเนี่ยไม่ได้เก่งเลยเลยนะเพราะว่าแม้แต่จะศัสรูเนี่ยก็ต้องไมาธรณีมาช่วยไม่เห็นว่าจะเก่งตรงไหนถ้าหากไม่ธรณีไม่ฝุดไม่ช่วยาศาสดาของท่านก็นมไม่ตัสรู้แล้วจะตอบว่าอย่างไงถ้าสมมุติเราเป็นมีรู้จักเพื่อนหรือแฟนคนฝรั่งเนี่ยนะถ้าเขาถามงี้ว่า ศาสนาของคุณจะรู้เพราะแม่ธรณีบีมผมเขามาช่วยใช่ไหมถ้าไม่มีเม่ธรณีบีบมผมไม่ช่วยใช่ไหมเขาก็คุณก็ณณณไม่มีศาสนาองค์นี้แหละเขาถามว่าใช่ไหมเราจะตอบเขาว่าไงเราจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ใชอถ้าบอกว่าไม่ใช่ก็ต้องให้คําตอบกับเขาที่ใช่คืออะไรเพราะฉะนั้นในคําถามที่ในคํา บางทีเป็นคำถามที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยเรางงเหมือนกันนะใช่ไหมถามปัจจุบันทันด่วนเนี่ยว่าอ่าอ๋อเราเนึกอว่าฟองว่าสัตว์ให้ออกเนียมาก็บอกว่าใช่ถ้าศาสดาของฉันอาศัยมเมธานนช่วยผงไม่เก่งอย่างที่คุณว่าแหละแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณเข้าใจมันสิ่งที่คุณเข้าใจไม่ได้ถูกต้องอย่างที่สิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่สิ่งที่คุณเข้าใจ สิ่งทุกวใจไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นเพราะว่าในศาสนาในพุทธศาสนาเนี่ยคุณรู้จักคำว่าพุทธไหมอ่าเราย้อนถามเลยนะพุทธแปลว่าอะไรอ่าพุทธพุทธคือ the Buddha is not personal name the Buddha is the ultimate ultimate truth the ultimate truth in our body uh, Budo a Buddha is mean awakened one Knowing one and blossoming, any person can be knowing, can be awakening, can be blossoming. You also have the Buddha in yourself. Do you have the awakening? You have a w a k e n e d mind, awakening mind. You have it. Awakening mind, you have it. b l a s s o m i n g you have it. Yes, I have. y e a you are the Buddha, but mini Buddha, little Buddha in in in you. Ah. What you, uh, you want to the Buddha become big become great yes I want it how to make it อ่าตรงนี้มีเรื่องคุยเลยกั่นหมายคาคนทุกคนเนี่ยมีมีพุทธภาวะอยู่ในใจความตื่นรู้อยู่ในใจแต่ความตื่นรู้อันเนี้ยจะกลายเป็นพุทธองค์ใหญ่คุ้มครองเราได้โดยที่ไม่ทุกเนี่ยคุณต้องพัฒนาตัวตื่นรู้ตวเนี้ให้ใหญ่พอที่จะทำให้ ขอพรลองร่างกายและจิตใจของคุณโดยนี้มานเข้ามาได้เลยนั่นเรียกว่าอาชนะมารแต่ว่าเพราะเหตุไรที่จะเอาชนะมารได้ก็ไม่ได้อาศัยแมทเลี <c oughs> the the goddess the earth goddess is a symbol of the ultimate truth ultimate t r t h have two things two ultimate นั่นก็คือว่าแมทเลีเนี่ยเป็นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของธรรมสองประการ ถ้าคุณอยากจะทําให้พุทธภาวะหรือตัวตื่นรู้ของคุณเนี่ยสมบูรณ์และใหญ่พอที่จะป้องกันไม่ให้กิเลสสมานเข้าคุณเลยเนี่ยคุณต้องพัฒนาคุณธรรมสองประการแล้วก็เดชเกิดสมบูริกของอะไรแม่ธรณีเป็นเป็นสัญลักษณ์ของอะไระแม่ธรณีนั้นหมายถึงแผ่นดินแผ่นดินนี้รับได้ทุกอย่างไม่ว่าคุณจะขุดจะกลุ่นจะทําลายคุณจะเผาะจะ ฝังอะไรเน่าๆเหมือนแม่แผ่นดินรับได้หมดบุคคลใดก็ตามที่มีจิตใจหนักแน่นเหมือนแผ่นดินสามารถรับได้ทุกอย่างที่เข้ามาในจิตในใจใครจะด่าจะว่าใครจะฆ่าจะแทงใครจะทาลายใครจะเผาจะนินทาว่าร้ายไม่กระเทือนบุคคลคนนั้นชื่อว่ามีใจดุดแผ่นดินเรียกว่าเป็นผู้มีอธิวาสนะขันติ เคยได้ยินคำนี้ไหมไม่ใช่ขันติธรรมดานะเป็นอธิวาสนาขันติคือขันติที่ยิ่งใหญ่ลึกซึ้งนั้นได้แก่แม่ทรณีที่ symbolic of the noble t o ร์เรน o ์หรือเดอะสิมบริกออฟอัลต t เม e ทอร์เรน a t อัล t i เมท e พชร b น์โนบูเพช that is the symbolic of that the first one okay อันที่สอง ถ, ถ้าหากว่ามีแต่แม่ทะเลนีไม่บีบมือถม่มสำเร็จประโยชน์ไหมไม่สำเร็จประโยชน์เพราะว่าอะไรเมื่อบุคคลนั้นมีความอดทนอย่างสูงแล้วเนี่ยบางครั้งเรามีความอดทนใครมาด่ามาว่ามาอะไรเราแต่ความอดทนเรามีจำกัดในบางครั้งดังนั้นเมื่อความอดทนเรามีจากัดแล้วเราจะต้องมีอะไรเข้ามาช่วยต้องรูด มวยผมนั่นคือปัญญามวยผมนั้นสัญลักษณ์ของปัญญาที่งอกออกมาจากสมองนัอะไรก็คือขี้ยวออกมาจัวคือต้องลูดมวยผมต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่เขาดา่าเขาว่าเขาทําอะไรมาเพราะอะไรเราจะแก้ไขอย่างไรหาวิธีแก้ไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวเราจะแก้อย่างไดถึงจะมันจะไม่ไอเหตุการณ์ประเภทเนี้จะไม่ซ้ำํำซาก จะมาให้เข้ามาว่าแล้วว่าอีกจะให้เข้ามาด่าแล้วด่าอีกจะให้เข้ามาทำลายเราแล้วอีกมันไม่ได้ต้องแกจะแกด้วยแกด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน They h แต่เ e ดโฮดิแฮร้องแห่เดดก็เดดโฮร้องแห่ and release the water flow from her hair her hair become the big river and also overwhelm all the king of Mara That symbol of wisdom, noble wisdom, ultimate wisdom, can destroy every hindrance in our mind. Uh, why? Because you know, the knowledge has obstacles. Because the knowledge is not growing easily; it has to be blocked, censored, and สร o c k e d by o b s t a ่ l e s We are t r y i n ต to create knowledge. Is it good? Eyes, how? Down, down, right? You มันมาบอกเราแล้วเนี่ยมานเราเรานั่งสร้างจังหวะดีเอาปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขานา่มาแล้วขันธมันเอาเรานั่งอยู่ดีเอารู้สึกเบื่อเซ็งง่วงเบื่อเซ็งคิดนอนคิดนี่เอามาแล้ว เออเรามานั่งอยู่ทําไมมันได้อะไรสิบวันถ้าหากวเราไปทํางานวันละชั่วโมงหลายเหรียญ ส, สิบวันนี้เงินหลายพันหลายร้อยเหรียญเนี่ยก็ามานั่งนี่ได้อะไรมาแล้วมาตัวนี้เขาเรียกอะไรกิเลสมานนี่ตัวบิ๊กๆเท่านั้นเลยนะกิเลสมานมาแล้วเอเอ ปฏิบัติไปปรากฏว่ามันได้อารมณ์ดีเนาะโอ้หนึ่งอย่างเดี๋ยวจะกลับไปบ้านต้อไปชวนเพื่อนมาไปชวนแฟนมาปฏิบัติเที่ยวหน้าอาจารย์ไปสรรจัดอีกชั้นจะไปชวนคิดแต่เรื่องจะหาคนมาปฏิบัติเลยลืมตัวรู้หมดเลยเขาเรียกว่าเทวบุตรมานมันมาในรูปของเทวบุตรคือความคิดที่ดีๆมานะเรียกว่าเทวบุตรมานอา้าวปฏิบัติไปปฏิบัติมาเกิดได้สมาธิ เห็นธรรมะมีแสงมีสีมีโลกมีปีติเกิดขึ้นอย่างขนลุกชูชันเกิดปีติน้ำตาไหลร้องให้ร้องโหมขึ้นมาบุงคนนะมานมาแล้วเขาเรียกว่าอะพี่สังขารมานมันไม่ใช่สังขารธรรมดาทําให้เราต้องวิปริตปิดปวงไปได้เลยอะพี่สังขารมานหรือบางคนปฏิบัติไปแล้วเกิดเอ๊ะบ่รู้อะไรไปเยอะๆถ้าเกิดว่าเราเป็น ติดอารมณ์เป็นบ้าเป็นบอขึ้นมาใครจะมาแก้ไขให้เราเนี่ยเออปฏิบัติไปแล้วเกิดเพี้ยนเกิดผิดขึ้นมาก็เป็นประสาทกินขึ้นมาใครแก้ไขนะอยหยุดหยุดอย่าปฏิบัติแล้อะไรก็ไม่รู้อันนี้เรียกว่ามัดจุมานน่ากลัวมากคือความกลัวอะไรจะเกิดขึ้นกับเรามันมาหล อ, อกเราแล้วหยุดทําให้เราหยุดหมายความว่าแต่ละตัวเกิดขึ้นทำให้บล็อกเราได้ทั้งนั้นเลยนี่คือมานมีไหมสิโลนี้มีไหมไม่ในแต่ละคนมี ถ้าหากเราไปหยุดนั่นหมายความว่ามารกองทัพใหญ่เลยท่านท่านก็เลยสมมติกองทัพมารเป็นกองทัพผีศาสตรปีศาจมารไล่จเจอรเ์เคเลยเสือเลยช้างเลยมาห อ, อ, อกแลนแหลวมาเต็มนั้นก็หมายถึงว่าพอมายิงใส่พุทธเจ้าเราเป็นไงห อ, อกแฉนแหลวเหล่านั้นกลายเป็นอะไรกลายเป็นออกไม้เห็นไหมนั่นหมายความว่าอารมณ์เหล่านี้พอมากระทบตูวรู้เขาแล้วมันเปลี่ยนเป็น บริสมเบิกบานเกิดปีติเอาชนะโอ้อกูเห็นมึงแล้วพระพุทธเจ้าเลยอุทานขนาดนั้นเอเนกาชาดีสังสารังสันดาวิสังอันนี้วิสังใช่ไหมขหกาลังเขเวสันโดทุกข่าชาติปุณณปุณังขหการกาดีโทษสีปุณณเพหังนักหาสิสภาเตพาสุก้าพกาอู่ตังวิสังคาตังวิสังขาราคตังกิตานตาห่านักยมชาทานมาขณะนั้นเลยว่าเมื่อเราไม่มีสติ จิตของเราได้วิ่งว่อนไปเรื่องราวต่างๆไม่รู้กี่พบกี่ชาติบัดนี้เราได้สติแล้วดูก่อนไอ้ความอยากท่านชี้หน้าตันหานะดูก่อนตันหาผู้สร้างพบความอยากผู้สร้างเรื่องสร้างเรื่องวันๆมันสร้างตั้งหลายเรื่องในใจเราเขาเรียกตันหาผู้สร้างพบเราจะแปลหมายว่าความอยากผู้สร้างเรื่องให้เราคิดบัดนี้เรารู้จักเจ้าเสร็จแล้วไอ้เจ้าความคิดเจ้าจะมาสร้างเรื่องให้เรามันได้อีกต่อไปอ่า รู้ทันความคิดอะ่ะน่าก็เรื่องรู้ทันมานชี้หน้าความคิดเนี่ยวันนี้มีใครชี้หน้าความคิดได้บ้างไม่ได้ชี้ลุยเข้าไปเลยโดนความคิดล็อกคอไปเรียบร้อยเลยนะหลายเรื่องแล้ววันนี้เออไม่ได้ชี้หน้านี่ปรความคิดขึ้นมาเอาเจ้าความคิดเนี่ยมีใครบ้างชี้หน้าความคิดได้ยังนะพอเผลอทั้งนั้นหละเผลอไปคิดหลายเรื่องไงใช่ไหมอ่าพรุ่งนี้ต้องชี้หน้ามานให้ได้นะพรุ่งนี้นะอ่า โครงเรือนของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนแล้วก็ลือเสียแล้วโครงเรือนคือขันห้าเป็นโครงเรือนของมันรูปเวทนาสัญญาสังขารมีญานโครงเรือนเราก็หักเสียจแล้วยอดเรือนแล้วก็ลื้อเสร็จ ย, ยอดเรือนคืออะไรอวิชาเป็นยอดเรือนอสวยงามเห็นอะไรเรียก ว, ว่าประดิบ ป, ประดอยสวยงามลือทิ้งเลยไอตัวความไม่รู้ทั้งหลายเนี่ยความไม่รู้สึกตัวนี่ลือทิ้งไปอย่าให้มันมาประดับประดาไอ้กำลังกายเรานี่ใช่ไหม ความหลงมามาประดับไม่ได้ก็ลื้ทั้งยอดเรือนทั้งโครงเรือนขันห้าคือความคิดอวิชชาที่มาไม่ทัน เ, นเป็นตัวยอดเรือนความเคียคมความคิดเนี่ยมันอาศัยโครงสร้างขันห้าเกิดถ้าขันห้าไม่ทํางานอาวิชชามันเข้าไม่ได้แต่วิชาเข้าได้ทั้งขันหทั้งอวิชชาเป็นโครงเรือนและยอดเรือนของมันวิสร้งางค่าราคาตังจิตตังจันหา่นานังขยมมัขัจิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป ใจของเราเนี่ยเห็นใจเห็นจิตแล้วเห็นความคิดแล้วความคิดมาปรุงแต่งใจเราไม่ได้ดอกนิพานนซึ่งความสิ้นไปแห่งดัญหาคิดได้แต่อย่าอยากความคิดที่ประกอบด้วยความอยากเรียกว่ามานันแต่ความคิดที่มีความอยากใช้ได้ไหมใช้ได้คิดได้แต่อย่าอยากคืออย่าอยากให้มันสาเร็จตามนั้นคิดได้อ่า ใช่ไมไม่ใช่คิดไม่ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันอยากแล้วมันถึงคิดใช่ไหมโอ้อยากคิดเรื่องนี้อยากคิดเรื่องนี้มันอยากเสียก่อนมันถึงคิดได้ถ้าไม่อยากมคิดไปทําไมใช่ไห ม, ออ ไ, มไม่ได้สนใจแล้วพราะไม่ได้อยากมัคิดไปให้เสียเวลาทําไมก็ถ้ามันอยากแล้วมันถึงคิดนะเพราะเจ้าความอยากนั่นเองเป็นตัวสร้างข้าหักาลกัดที่โทษสีปูนับข้าแห้งนะดูก่อนในช่างปูเรือนเรารู้จากเจ้าเสียแล้วเจ้าจะมาสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป ดูก่อนตันหาผู้สร้างพบสร้างภพเผือไอ้ความพิษผู้สร้างความความอยากผู้สร้างความพิษนั่นแหละนั่นแหละที่สั ญ, ญลักษณ์ของอันนี้ก็คือแม่ธรณีบีบมวยผมอ่านั่นแหละโอ้ลึกซึ้งมากตรงนั้นนะเขาที่มาเป็นถ้าหากฝรั่งมันถามเราก็ตอบมาอย่างนี้พอมาตอบเสร็จแโอ้โหมันบอกโอ้โ ห, โโหยกมือท่วมหัวโโหเลยนะฉันไม่เคยฟังอย่างนี้มาก่อนถ้ารู้อย่างนี้ฉันนับถือผู้ตั้งนานเพรางั้นนะเออนั่นแหละแกงโง่ไม่ต้องไปนับถือก็ได้ เราก็ซ้ําต่อได้เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องเตรียมคําตอบไว้บ้างนะเพราะว่าบางทีไปให็นอะไรแปลกๆแล้วมันถามเราเราตอบมันไม่ได้ในเสียเชิงนะอ่าไปเห็นบางทีบอกว่าศาสด า, า, า, าของคุณเกิดมาแล้วเดินได้มันเพี้ยนแล้วโจกไปนู่นเลยมันว่าเออใครที่ไหนเด็กที่ไหนเกิดมาแล้วเดินได้แถมพูดได้อีกต่างหากเออเดินได้ตัางหากมีดอกไม้ผูดมารับอีกต่างหากแล้วมันเป็นนิทานหรือเปล่าพุทธศาสนาเนี่ยเสร็จเลยเรา อธิบายไม่ได้ใช่ไหมเราบอกว่านั่นคือพุทธะเกิดไม่ใช่เจ้าชายชิดตะเกิดเราบอกเลยเจ้าชายต่เกิดก็เหมือนดุกชาวบ้านธรรมดานี่แหละแต่พุทธะเกิดไม่ใช่อย่างนั้นตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานเกิดจากมารดาเกิดจากไข่เกิดจากอวิชชาเกิดมาแล้วหมายข้อออกจากตัวรู้ได้เมื่อก่อนเราอยู่ในเปลือกในคันแห่งความหลงใช่ไหม วันนี้เราออกมาจากความรู้ออกมาจากความหลงคือออกมาจากความคิดได้วันนี้ใครออกจากความคิดได้มัง้งออกไม่ได้มันดึงไปเฉยเลยเขาดึงเข้าไปในท้องมันเฉยเลยก <c ười> ืนเข้าไปในท้องเลยน ะ, ะคร่อดจากความคิดได้แต่เราทำไมเราเดินได้เจ็ดเก้าว่ ะ, ะหมายความว่าเกิดมายืนได้หมายความว่าคนที่รู้ตื่นเบิกบานจะไม่หลับไหล จะไม่อ่อนแอจ้องจิตต้องตรงออกมา จ, าจิตต้องตรงเข้มแข็งถึงจะออกมาจากอวิชชาได้จิตต้องเข้มแข็งแล้วเดินในเจดก้าวด้วยเด็กที่ไหนมาเดินได้หมายของว่าเดินตามการตื่นรู้เจ็ดประการเรียกว่าโพชงเจ็ดที่เราสวดโพชงมาใช่ไหมสติสามโพชงเพราะฉะนั้น เมื่อเรามาสู่หลักของวิปัสสนาแล้วเราดําเนินตามหลักของโพชฌงค์ไม่ได้เดินตามหลักของชานสี่ชาน8ไม่ใช่สมบัติสีสมบัติ 8, เป็นเรื่องของอีกพราหม์ของพราหมณ์แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ น, นํามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นฐานของจิตแต่ความจริงแล้วเดินสายวิปัสสนาคือเจริญสติแล้วต้องเป็นสติที่ตื่นรู้ไม่ใช่สติไปบังคับจิตตื่นรู้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นและสติสัมโพชฌงค์ เมื่อตื่นรู้แล้วมันก็กลับมาดูตัวเองสิถ้าตื่นรู้แล้วมันจะไม่มองข้างนอกนะสติถ้าตื่นรู้ถ้าจะมองข้างนอกอยู่ไม่ใช่ต้องกลับมาดูตัวเองแล้วมาดูตัวเองก็ต้องเห็นตัวเองเพราะเห็นตัวเองก็เห็นความจริงเห็นความจริงในตัวนี้เขาเรียกว่าธรรมวิจยะคือเห็นความจริงในตัวเองเมื่อกำลังเห็นอณิจังทุกขงังนาตากำลังทํางานเห็นธาตุสี่ขันห้ากำลังทํางานเห็นความคิดอวิชชาตัญหาอุปทานกำลังทํางานเห็นปฏิจสมวัตกําลังทํางานอยู่ในกายเนี่ยตลอดเวลา แต่ว่าถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้เรียกว่าก็ยังไม่เป็นธรรมวิจยะแต่ไม่ใช่เห็นแบบนึกคิดเดีวนะอยู่สมมุติเรานั่งเนี่ยเวลามันบอกว่าเราหนักหนักนี่มันหมายถึงอะไรอันนี้เรียนไปแล้วนะหมายถึงไตรลักษณ์กำลังแสดงตัวคืออา น, นิจังทุกขังหน้าตาใช่ไหมเห็นไหมเอาสั ญ, ญลักษณ์ตัวที่มันป ร, กรากฏชัดก็คืออาการหนักอ่ามันปวดตรงนั้นมันคันตรงนี้มันกําลัง บอกแล้วว่าอันนี้อนนี้จังทุกข์ของนาตาการํา ง, งานนะไม่ใช่กูปวดนะไม่ใช่ฉันปวดนะถ้ากูปวดแล้วฉันปวดไหมาเขาว่าเราลืมอะไรลืมใจรักไปเลย <c oughs> นั่นกิเลสมันเข้าตรงนั้นเลยเข้าตรงที่ว่าเราดื่มใจรักมันออกมาเป็นตัวความปวดของฉันความปวดของกูความเบื่อของฉันความง่วงของฉันเป็นตัวของฉันหมดมันไม่ได้เป็นของใจรักนี่มันไม่เป็นธรรมวิจัยเลย มันเป็นทำเวลาคิดขึ้นมาโอ้อันนี้จะไปเห็นดอกไม้ก็มันหล่นใบมันหล่นมันเป็นอนนี้จังทุกขังนรตาไปเห็นสัตว์มันตายเป็นอนนีจังทุกขังนรตาอันนั้นมันอนนีจังทุกขังกตาภายนอกมันไม่เป็นธรรมวิจัยอันนั้นนะเป็นธรรมวิจารณไปเห็นคนแก่ไปเห็นคนผมหงอกฟันหักนั้นนีเป็นอันนี้จังทุกขังตาภายนอกไม่ใช่เป็นธรรมวิจัยธรรมวิจัยต้องเห็นอนนีจังต้องขัที่กําลังปรากฏขณะนี้ ที่สัมผัสได้ขนาดนี้เป็นธรรมวิจัยพอเกิดเห็นภาวะแบบนี้เอ๊อยากจะเห็นลึกๆไปชัดกว่านี้ทําไงก็เพียนตีเพียนทำตัวรู้ให้เยอะขึ้นใช่ไหมเออได้รู้ขนาดนี้มันก็ยังเห็นขนาดนี้ถ้ามากกว่านี้ขนาดก็ทําความเพียนโยกสร้างจังหวะเดินจุคมกำหนดรู้ตามรีบบทต่างๆเพียนเขา้าเพาเพียนแล้วไปไงใจมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอใจมันมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันไม่แบกภาร ะ, ะความคิดใช่ไหม พอไม่แบกขามะความคิดปั๊บมันก็เบาจิตนี่ก็เบาสบายโปร่งปีติสัมโพชงเกิดขึ้นแล้วนี่พอจิตของเราเบาสบายเห็นอะไรชัดเจนใจเย็นใจอิ่มเาบิกบานปัตสัตติสัมโพชงเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมพออิ่มเบิกเบิกบานจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันชัดเจนเป็นสมาธิสัมโพชงแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายอารมณ์ไหนมาก็ ตกมาป๊อก็ไหลออกไปเหมือนน้ำตกบนใบบัวใช่ไหมเคยเห็นไหมโยงน้ําตกบนใบบัวมันค้างไหมตกปั๊มก็ไหลเลยใช่ไหมเหมือนกับจิตของเรามันจะเกลี้ยงเกลาเหมือนใบบัวเพราะฉะนั้นใบบัวดอกบัวนี่เกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าเยอะมากเลยเพราะมันมีคุณลักษณะหลายอย่างเหมือนกับจิตนะเอาดอกบัวเป็นดอกบัวที่เป็นสัญลักษณ์ไปละเพราะดอกบัวมันเกิดมาจากสิ่งสกปรกใช่ไหมต่อจะมันขึ้นมาสามารถที่จะมี ความเบิกบานมีกิ่นหอมเ ป, เป็นยาได้อะไรได้เยอะแยะไปหมดจิตของเราเหมือนกันที่มันเกิดจากกิเลสตัณหาอวทานแต่มันโผล่ขึ้นมาเหนือเหนืออารมณ์คือน้ําอยู่เหนืออารมณ์ได้พอเหนืออารมณ์เหนือความคิดได้มันก็เบิกบานพอรับแสงพระอาทิตย์คือแสงแห่งสติสัมปชัญญะเป็นเหมือนแสงพระอาทิตย์แสงแห่งปัญาญ า, า, าสาส่งลงมาที่เราทําเนี่ยใช่ไหม แสงวิทยาศาสตร์สองลมมาจิตของเราก็ออกจากความคิดขึ้นเหนืออารมณ์เหนือความคิดออกมามารับเอาตัวรู้เข้าไปพอรับตัวรู้ปั๊จิตแล้วเบิกบานเพราะจิตเบิกบานนั่นเห็นไหมคือดอกไม้ที่ผุดออกมาจากแผ่นดินขึ้นมารองรับเวลาเดินแต่ละก้าวยังไงนั่นคือดอกบัวใช่ไหมถ้าเราตอบเขาเงี้เป็นไงฝรัง่งอ๋อมันอ๋อทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่อธิบายได้ขนาดนี้นะไม่มีทางเขาจะยอมรับได้ เราบอกว่ามันเป็นซิมบริกของทุกทุกอย่างเนี่ยถ้าพุทธประวัติกับสิทธัตถบรตคนละฉบับกันสิทธัตถบรตเนี่ยเราแทบจะไม่รู้ว่าเป็นใครมาแต่ไหนแต่ท่านมาทำพุทธประวัติเพื่อที่จะเป็นซิมบริก all of our Buddhist history the summary of noble t r u t h have two dimension personal dimension and ultimate dimension so don หรือรอดูเอ่อรอดูคดีรอดูเรื่องนี้เันั้นเราจะเห็นว่าโบราณโบราณที่เขาบันทึกเรื่องนี้มาในฉลาดมากเลยได้ปลูกฝังไอไออะไรอะ่ะตัวสัจธรรมลงในประวัติของท่านเป็นตัวพุทธภาวะหมดเลยแล้วเราได้ก็ได้รู้จัก พระพุทธเจ้ามีจริงก็เพราะอาศัยประวัติเหล่านี้มาใช่เป็นช็อตเป็นช็อตเปนตั้งแต่ลอยถาตั้งแต่ชนะมานตั้งแต่เวลานั่งอธิษฐานจิตแต่ท่องเนี้ยซึ่งถ้าหากว่าเราเดินตามสัมโพธิชงเจตก็เป็นวิปัสสนาโดยตลอดเพราะสติตัวนี้มันจะต้องเป็นสัมมาสติที่เป็นสติตื่นโพรงนี่นะ เราจะก่อให้เกิดธรรมจะตามลำดับชัดเจนเลยนะไม่มีอะไรต่างไปกว่า น, นั้นแล้วมันแล้วก็พิสูจน์มาด้วยเห็นชัดด้วยไม่ใช่หลักวิชาการนะแต่ตัวชานสี่านแปดที่อีกอธิบายเป็นหลักวิชาการไม่รู้ใครไปถึงได้ยังไงไม่ชัดถ้าหากว่าไม่ไม่ประสบการณ์จริงๆไนงะดังนั้นก็จึงอยากจะให้ว่าในวัดของเรามันมีสั ญ, ญลักษณ์อะไรแปลกๆเนี่ยต้องเข้าใจเอาไว้ เพื่ออะไรเพื่อเพื่อนชาวต่างชาติเข้ามาในวัดเขาจะถามเราอันนี้คืออะไรทําไว้ทําไมสําคัญอย่างไรถ้าเราไม่ทําประวัติเขียนประวัติเอาไว้นะเราจะมานั่งอธิบายก็ไม่ถูกเพราะไม่ใช่ภาษาของเราใช่ไหมก็ทำหนังสือเล่มเล็กๆขึ้นมาเอ่อคุณอยากจะรู้เรื่องนี้หนังสือเล่มนี้ไปอ่านก็ให้ฝรั่งเขาเขียนเป็นภาษาเราก็อธิบายภาษาไทยให้เขาฟังอย่างเงี้นะเราเขียนออกมาเขาก็ไปอ่านเราจะมานั่งอธิบายให้ความหมาย อย่างที่เราพูดภาษาไทยมันเป็นไปได้ยากเพราะไม่ใช่ภาษาของเราแต่ถ้าหากว่าอาศัยคนของเขามาแปลคําพูดของเราเนี่ยให้เป็นภาษาของเขาแล้วก็ทำหนังสือคู่มือเล็กๆให้เขาแจกเขาอ่านไปจุดสําคัญอะไรที่เราสร้างในวัดเนี่ยทำเป็นคู่มือเล็กๆให้เขาเมื่อเขาถามม า, าให้เขาอ่านนี่เลยไม่ต้องไปเวลาเสียอธิบายเวลาเสียเวลาอธิบาย น, น, นั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงให้ความสําคัญของภาวะตื่นรู้ ให้มากเราถึงเน้นนี่ไงเดี๋ยวนี้อาจารย์กรรมฐานยุคปัจจุบันถ้าไม่พูดถึงเรื่องสติหรือตื่นรูนะ้เนี่ยแทบจะตกยุคเลยว่าไงเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องเดดเรื่องฌานเรื่องสมาบัติอะไรเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจแล้วเรื่องเหล่านั้นแต่มาสนใจว่าฉันจะใช้ชีวิตอย่างไรประจําวันโดยไม่ทุกข์สนใจตรงนี้มากกว่าฉันไม่มีเวลามานั่งเข้าฌานอะไรสมรบัติอย่างพวกคุณหรอกฉันมัวทำมาหาอินใช่ไหมไม่มีเวลามากมายขนาดนั้นแต่ ฉันต้องการว่าจะทํำไงใช้ชีวิตแล้วมันไม่วิตกกังวลไม่เครียดไม่ตึงไม่หุ่นมัวไม่ทะเลาะเบาแวงกับใครเนี่ยฉันจะทำอย่างไรเราก็บอกตรงนี้ให้เขาคุณเอาตรงนี้ไปใช้นะอ่ะเราก็เขียนหนังสือเรื่องสติขึ้นมาสักเล่มหนึ่งในวัาเราอ่ะนะฝรั่งเข้ามามาถามเรื่องนี้เรามานั่งอธิบายกันยากเอาหนังสือไปอ่านเมือนัสือไปอ่านแล้วคุณเข้าใจก็มานั่งคุยกันทีน่นี่มันก็จะมีประเด็นให้เขาได้ ดังนั้นเองในวัดของเรามีความพร้อมสูงมากในเรื่องของการภาวนานะแต่เราต้องต้องสร้างข้อมูลสร้างหลักฐานอะ้รให้เขาได้ได้มีข้อมูลอะไรที่ละเอียดกว่านี้ที่เขาอยากจะทำํำพอฝรั่งมาได้เขาเป็นนักพิสูจน์นี่ใช่ไหมพอที่บายไปชัดเจนเขาต้องการพิสูจน์เออจริงไหมงั้นคุณมาปฏิบัติแล้วก็พาเขาปฏิบัติได้ก็จะต้องมีหนังสือขึ้นมาดังนั้นเองพระอาจารย์ประสันท่านมีโครงการดีมากตรงนี้นะ ต้องการให้พระธรรมทูตของเราในอเมริกาเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาปฏิบัติกันอย่างจริงจังเหมือนกับเป็นวิยาลัยของบาทหลวงในเมืองไทยเขาจะไปตั้งวิเลยบาทหลวงในเมืองไทยเลยแต่ของเราไม่ตั้งไม่ได้เลยที่นี่อถ้าเกิดอาจารย์ประสานเอาจาริงอาจำขึ้นมาวันใดวันหนึ่งท่านตั้งตรงนี้เป็นวิเลยสร้างพระธรรมทูตจะว่าไงไ่มยมจะพร้อมไหมพร้อมที่ช่วยกันไหมเรามันเป็นเงินพอสมควรนะ แต่ก็ช่วยกันคิดไว้ก่อนก็แล้วกันเผื่อไม่เกิดสมัยท่านอะเกิดสมัยหน้าก็ได้มาก็บอกท่านเออคิดไปได้เลยถ้าหากว่าอะไรพอจะช่วยได้ช่วยกันเพื่อที่ให้เผยแพร่พุทธศาสนาของเราเพราะชาวตะวันตกเนี่ยเดี๋ยวนี้หันมาศึกษาพุทธศาสนากันมากนะเพราะเขารู้แล้วว่าศ า, าสนาของเขาไปไม่ถึงไหนนะเขาพิาสูจน์อมาตเต็มที่แล้วแต่เขาต้องผูกทางโบสถเนี่ยผูกมัดเอาไว้ล็อกเอาไว้ทุกที่เลย โบสี่เยอะไปหมดเยอะกว่าวัดเราอีกใช่ไหมบางทีบ้านไม่กี่หลังมีโบดถ์หลังหนึ่งอย่างนี้น ะ, นะทุกคนต้องจ่ายเงินเดือนสิบปอร์เซ็นให้เขาอะ่ะบ้านเราไปถึงขนาดนั้นนะใช่ไหมเออเขาล็อก ส, สมาชิกล็อกพื้นที่ไว้หมดเลยคนอเอาแทบจะดินมาหาเราไม่ได้เลยแต่มันมีอีกกลุ่มหนึ่งคนแล้วกนันคริสเตียนน่ะนอนคริสเตียนเนี่ยพวกที่ไม่เอาคริสเตียนด้วยเนี่ยมีเราเคยได้คนกลุ่มนี้แล้วคนสมัยใหม่เขาก็ไม่เราก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันนะดังนั้นจึงอยากจะให้ มาเข้าใจว่าตัวตื่นรู้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนไม่ใช่เรื่องลึกไม่ใช่เรื่องยากแต่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพูดถึงว่าละเอียดอ่อนกับลึกนี่คนละมิติกันนะใช่ไมลึกนี่มองไม่ค่อยเห็นนะแต่ละเอียดอ่อนหมายความว่าเราจะน้องให้ชัดๆัดขึ้นเรื่อยๆมันมีโอกาสเห็นมันของที่มันมันละเอียดนะนะก็เขียไปเขียนมาอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมันเห็นยได้ใช่หมละเอียด แต่ลึกนี่สายตามองไม่ถึงเลยดังนั้นเองก็ในทุกทุกมิติของการปฏิบัติเนี่ยเราเพียงแต่นเน้นว่าทําไงลุกให้รู้สึกตัวเดินให้รู้สึกตัวนั่งให้รู้สึกตัวแล้วก็เวลาสร้างเจ้าวะให้รู้สึกตัวเดินจูงก็ให้รู้สึกรู้สึกไปจนกระทัง่งให้มันชนํชนานิชานานให้มันเกิดว่าสีให้รู้จนชํานาญถ้ารู้ไม่ชำนานเน่ยมันคว้ามาใช้ยากนะเมื่อก่อนจิตของเราเป็นรู้อะไร ไปรู้เรื่องข้างนอกจนชํานาญใช่ไหมทุกวันเนี่ยโอ้โหข้อมูลเยอะแยะหมดใครพูดอะไรมาฉันรู้เรื่องหมดแต่ถามว่ารู้เรื่องตัวเองไหมไม่รู้แต่วิปัสนาสอนให้มารู้เรื่องตัวเองจนชํานาญว่าบอกได้ว่าในตัวของฉันนะ่ะมีความรู้สึกอย่างไรขณะ น, นี้และอธิบายความรู้สึกนั้นได้ด้วยฉันรู้สึกแต่อธิบายไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่ละการอธิบายได้เขาเรียกธรรมวิจัยเพราะฉะนั้นการฝึกธรรมวิจัย เยอะๆเนี่ยแล้วเราพูดในสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวพูดได้ทั้งวันก็ไม่จบแล้วก็ไม่ต้องจําด้วยเมื่อขึ้นมาก็พูดได้เลยเพราะมันเห็นอยู่ตลอดเวลาเพราะเราวิจัยตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็อธิบายสิ่งนั้นได้ด้วยถ้ารู้แล้วอธิบายไม่ได้อาจจะไม่เป็นเป็นทำไม่มีใจด้านเดียวก็ได้อีกด้านด้านปรมัตดแต่ด้านสมมติเนี่ยออกมาไม่ได้ก็ประโยชน์ก็น้อยได้ประยช์ส่วนตัวได้ส่วนรวมไม่ได้ แต่นั้นเองเอามาก็เลยว่าโอ้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะต้องมาศึกษาเรื่องเวทนาให้ชัดเวทนาสัสมมูลสารนาเวทนาเป็นที่รวมรว ม, รวมของธรรมทั้งหมดทั้งปวงสติอธิปัตย์ญาสติเป็นใหญ่ของธรรมทั้งปวงปัญญ า, าสาโรปัญญาเป็นแก่นสารของธรรมทั้งปวงนะเป็นสาระของธรรมทั้งปวง เป็นที่สิ้นสุดปริโยาสานวิมุติปริโยาสานมีวิมุตติเป็นที่ปริโยาสานเป็นที่สิ้นสุดมีปัญญาเป็นแกนสารมีเวทนาเป็นที่รวมลงหมายความว่าเราจะศึกษาธรรมทั้งหมดให้ศึกษาที่เวทนาเพราะเวทนามันเป็นที่รวมลงของธรรมอ่าเพราะฉะนั้นเราศึกษาไปได้สองตัวแล้วใช่ไหมแต่อีกตัวหนึ่งมันยากตึงเอาไว้พรุ่งนี้เช้าอทุกข์กับมสุขเวทนานี่ค่อนข้างรู้ยากนะสุขรู้ง่ายทุกรู้ง่ายใช่ไหม แต่อุทุกขมสุขเนี่ยแม้แต่ศัพ์มันก็ยังจำยากอยู่แล้วอทุกขมสุขเวทนาดังนั้นตัวเวทนาจึงเป็นแก่นสาระที่สำคัญเพราะอะไรเพราะว่าอัครส า, าวกฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้าเนี่ยแตกฉานเรื่องเวทนาปัญญามหาศาลเลยซึ่งเมื่อวานติดค้างไว้ว่าเราเา เ, าเรื่องของท่านโมคละณะไว้ใช่ไหม <c oughs> วันนี้วันนี้ขอต่อสารบุหน่อยนะอ่า ว่าพระสารีบุตรเป็นเป็นผู้มีฤทธิ์ทางปัญญาพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์ทางสมาธิท่านบาเพ็ญมาต่างกันเพราะว่าในสมัยนั้นที่เรารู้จากท่านก็ว่าสองสองท่านเนี่ยเป็นเพื่อนกันใช่ไหมสารีบุตรหรืออุปติสะโมคคัลลานะหรือโกลิตะเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแสวงธรรมด้วยกันแต่วันหนึ่งก็ไปดูละคร เราขอเรื่องนั้นก็แปลกไม่รู้เกิดดนใจไงเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวชนหัวเดี๋ยวโชนร้องไห้เดี๋ยวโ ช, ชนสนุกสนานเดีวอารมณ์สลับไปสลับมาทีนี้คนที่มันมีภูมิธรรมอยู่บ้างมันสะกิดใจเอ๊ะทาไมแค่การแสดงของคนมาทําให้จิตใจเราแปลายปวดขึ้นขึ้ น, นลงลงดอากาศนี้นี่เหลอกแล้วคนทั้งหลายก็ตกเป็นทาสของอารมณ์อ่เดี๋ยวหัวรอดเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวสลับกันอยู่างนั้นพระสารีบุตรก็เลยอ้ไปได้สติในโรงละคร บอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่ดูอีกเราจะไม่เข้ามาดูละครอีกเราจะสแสวงหาท่านผู้รู้ว่าจะสามารถที่จะทําอารมณ์ที่มันแปลปนขึ้นขึ้นหนุไม่ให้มันแปลปนได้อย่างไรเริ่มสแสวงหาละก็เลยบอกว่าเอานัดกันบอกว่าเอาอยังงี้ก่อนเราจะไปด้วยกันเลยไปคนละที่ไปหาครูบาอาจารย์ดูว่าครูบาอาจารย์ที่จะบอกเราเรื่องเนี้ยมีอยู่ที่ไหนบ้างก็ไปอไปหาอาจารย์ สนใจบ้างอาจารย์ปุรณะกัสปะบ้าง อ, าอะไรทั้งอาจารย์ทั้งหกอ่ะจะไม่รู้นะทั้งหกไปก็ปรากฏว่าตอบไปคนละอย่างคนละเรื่อ ง, องไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าจะสามารถจะดับปรับอารมณ์ที่มันขึ้นขึ้นลงลงดีใจเสียใจเนี่ยให้มันมันเสมอโดยที่ไม่ไม่มีอะไรขึ้นลงได้อย่างไรเนะี่ยทีนี้ วันหนึ่งที่บ้านท่านมีพระไปวินเท่าบทเห็นพระวินเท่าบาทเดินสัมรวมสงบเอเมื่อก่อนนักบวชก็เยอะเหมือนพระทั่วไปทุกวันนี่แหละเพราะจะมีตั้งร้อยแปดรัฐที่อ่ะมัยนั้นใช่ไหมนักบวชก็ขอเหมือนกันนี่แหละไม่ใช่ว่ามีเฉพาะสมัยนั้นสมัยนี้ก็พระเหมือนกันะ่ะเต็มตลาดใช่ไหมแต่องค์นี้เดินเฉยไม่สนใจใครเดินนิ่งไปแต่พระทั่วไปนี่อุ้มบาตทไปไงสอดสายสา ย, สายตา เจ้าไหนใส ใ, ใช่ไหมตามตลาด อ, ะ <Okay. S 1> อ่ ะ, อะเจ้าไหนใสมากใสน้อก็พอเห็นก็วิ่งอุ้มบาทวิ่งเข้าไปเลยอย่างเงี้ยทั่วไปก็เห็นอย่างนั้นแต่ว่าเออองนี้ไม่เป็นเหยองนี้เดินนิ่งดิง่งอยู่ไปอ่าคนนิมนต์เคยรับคนไม่นิมนต์ก็ไม่รับโอ้ตามไปก็จะไปถามปัญหาก็ไม่ใช่ที่ท่านกำลังวินทบาทใช่ไหมเอาเดี๋ยวเราตามไปหางๆก็แล้วกันรอว่าท่านวินธาบตรจบไปถาม นั่นก็ตามไปห่างพระบินธบาตมาท่านก็ไปนั่งใต้รมไม้สมัยนั้นยังไม่มีวัดแล้วก็ฉันเพราะกล่าวว่าท่านฉันเสร็จแล้วลางบาตรก็เข้าไปถามว่าพระคุณเจ้ามาจากสำนักไหนใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านและครูาอาจารย์ท่านสอนอะไรข้าพเจ้าอยากจะทราบทีนี้ท่านก็พูดแบบทมตัวว่าบายสุขฉันเป็นพระบทใหม่คงจะอธิบายตอบคาถามท่านไม่ได้มากขนาดนะั้นหรอก ท่านก็เพิ่งบทใหม่เมื่อกันบอกสั้นๆว่าศาสดาเขาสอนว่าเยธรรมาเฮตุปวะเตสั่งเฮตุงตะทาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหสมโนฟังออกไหมบอกอาจารย์ฉันสอนว่านะสิ่งทั้งร้ายทั้งปวงนะ่มันมีเหตุเป็นที่เกิดทั้งนั้นนะ่ะ ถ้าคุณจะดีจะชั่วก็อยู่ที่เหตุถ้าคุณจะดีมันก็ทําที่เหตุของดีคืออะไรถ้าคุณจะชั่วก็ไปทําเหตุของชั่วมันคืออะไรถ้าไม่อยากจะดีอยากจะชั่วกไม่อยากจะขึ้นจะลงไม่อยากจะแปลปลุตก็ตัดที่เหตุมันซะจบเหมือนันอาจารย์สอนแค่นี้แหละโอ้โหเก็งเลยได้ดวงตาเห็นธรรมโอ้มันง่ายขนาดนั้นเลยนะฟังจบได้ดวงตาเห็นธรรมเลยโอ้โหดีใจใหญ่เลยเอาตอนนี้อาจารย์ของท่านอยู่ที่ไหนโมนุนอยู่อนุปยอัมภวัน ไปที่นั่นพักอยู่ที่นั่นนะ่ยเออแต่ว่าฉันมีเพื่อนคนหนึ่งนะแต่ว่าจะไปท่นไปหาเพื่อนฉันก่อนเมืองนั้นก็ไปไปหาเพื่อนแต่ที่นี้คาถานี่ว่าน่าสนใจว่าเยธรมาเหตุภาวะเนี่ยยิตเตสั่งเหตุตุงตะทาคโตว่าทะทะคถาคตมีปกติต่เร่องเนี้ยว่ามันสิ่งทั้งหลายมันเกิดแต่เหตุใ้การที่จะไปดับสิ่งทั้งหลายเหล่านะั้นต้องดับที่เหตุของมันนะแต่ย่างเนี้ ย, อ, ยอืม เพราะฉะนั้นเราง่วงเราเหงาไี่มีเหตุไหมเราไปตัดความง่วงไหว้ไหอความง่วงเป็นผลใช่ไหมเหตุของความง่วงคืออะไรความเพลินไงนั่นั่งไปมือชักข้ามือไหลว้อยว้อยว้อเราใช่แล้วเน่ะเพลินแล้วมือมันจะต้องไปเป็นจังหวะชัดเจนผลถึงจะไม่เพลินใช่ไหมรู้หยุดรู้คว่ำรู้หยุดรู้เคลื่อนรู้หยุดรู้เคลื่อนให้ชัดเจนถ้ามือมันไปร้อยร้อยร้อย้อยแล้วก็ใช่แล้วเพลินแล้วเริ่มเพลินแล้ว ให้หยุดแต่ก็มันก็ไม่หยุดไม่ได้แล้วมันเพลินนั่นเนาะมันก็ลังได้อารมณ์มันอยม า, าเบรกฉันเลยฉันกำลกัลงลลลได้อารมณ์แล้วมันได้อารมณ์มันก็รมเพลินนั่นแหละมันเพลินแล้วได้อารมณ์คือได้อารมณ์คือมันต้องชัดเจนหนักแน่นใช่ไหมแต่ไม่ได้เครียดไม่ได้ตึงเกินไปนะทำให้มันนุ่มนวลอ่าแต่ถ้ามาเริ่มเพลิ น, นลมันจะเริ่มไหลละความนุ่มนวลหายไปความหนักแน่นหายไปความชัดเจนหายไปหยุดตั้งต้นใหม่รีเซตใหม่นี่ตัดต้นเหตุมาอยู่ตรงนั้น เพราพุทธเจ้าบอกให้ละนันทีใช่ไหมพเพราะเพลินมันไปได้ทุกเรื่องมันเพลินได้ทุกเรื่องอ่ะพอเราไปละที่เพลินนี่เขาเลยละที่เหตุของมันอ่าทีนี้ท่านก็เลยไปไปเจอท่านกุลิตาอ่ะเดี๋ยวเนดะี๋ยเจออาจารย์ดีแล้วว่างั้น อ, อยู่ที่ไหนอ่ะสอนว่างไงทาก่อนนะ ก็สอนอดก็เอาไปอธิบายให้เพื่อนฟังเพื่อนเข้าใจได้ดวงใจทาอีกคนหนึ่งนี่ยังไม่เจอยังไม่ทันเจอพระนะเพื่อนเอาไปถ่ายทอดใหนะ้ก็ได้ดวงตาเห็นทาเลยมคะลานะัเนี่ยก็เลยไปหาพุทีเจ้าหา่เาเอเพื่อนเรามีตั้งเยอะนะคนเขาเป็นคนหนุ่มคนมีชื่อเสียงเนาะเป็นข้าวบุดีก็เลยไปบอกเพื่อนไปด้วยไปชวนเพื่อนไปเพื่อนคนละเท่าไหร่นะ ส5งร้ห้หรือ500ยพันสงร้เนาะข้าง 250, อ้าคนลงเป็นห้าร้อปรากฏดพาเพื่อนไปฟังทำพร้อมกันเพื่อนเข้าใจธรรมะหมดแต่สองท่านยังไม่เข้าใจฉลาดเกินไปน ะ, อะพอมัวคิดไอ้ชัยหรือเปล่าช่าไม่ใช่ช่ไม่ใช่ยอย่างเงี้ยในใจเพราะไม่เคยฟังมาก่อนนะใช่คนฉลาดเนี่ยรับอะไรไม่ได้ง่ายๆเลยนะ เออแต่ว่าคนที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยพอฟังตรงๆพุ่งพุ พ, พไปเลยพราะไม่ต้องคิดมากเนี่ยอาจจะว่าเขาไม่ฉลาดก็ไม่ได้น ะ, ะแต่เขาจีบเขาซื่อกว่าแต่คนฉลาดมันจิตมันคิดไปเรื่อยใช่ไหมเราหลบนั่นหลีกนี่ไปเรื่อยมันก็สงสัยดิในที่สุดเรื่องมคละจบไปแล้วนะเมื่อวานท่านภาษาริบุตรก็เลยทั้งบวชขอบวชพอบวชเสร็จแล้วมคละก็ขอเวลา เก็บอารมณ์เลยพราะได้ดวตใจเห็นธรรมเลยไปสวดละวันแล้วเนี่ยเขาไปเก็บอารมณ์เพื่อทําอารมณ์ให้ได้อยี้ยพอเห็นทางแล้วอะไรคืออะไรไปทําแค่เจ็ดวันก็ง่วงแท่ถ้าตายวันนั้นที่มามาว่าเมื่อวานนั้นนะ่ยกล่าวถึงพระสารีบุตรหลังจากบวชแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติ ด, ด้วยความสงสัยใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ขนาดเพื่อนบรรลุธรรมหมดแล้วนะตัวเองเลใช่ไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่อยู่ในใจนะ่ยพวกคนฉลาดมาก ไปจนถึงวันที่สิบสี่สิบห้าปรากฏว่าตามบุติมีลุงของท่านคนหนึ่งเป็นคู่หูคู่สนทนาธรรมกันเถียงธรรมะเรื่องปริญากันแกชื่อทีคานันขาอคิเวสนาโคดทีคานัคขาไม่ค่อยชอบว่าเล็บยาวทีคานันขาทีคาร์นข า, อาชอบว่าเล็บยาวงงเรื่างนั้นก็ าำบุดีได้สนทนากัทุกวันเอ๊ะนี่หลานมันหายไปไหนทั้งเกือบสองอาทิตย์เราไม่เจอหน้ากันเลยตามหาใหญ่เลยก็เลยเมีคนเห็นตามพระสรมณโคตมวะไปที่นูน่นยก็ตามไปนั่นหน้านั้นมันหน้าร้อนอ่าพระสาริบุตรก็เป็นคนกระตันยูเนาะรู้คุณอาจารย์ก็เห็นว่าอารมอากาศร้อนก็นไปยืนพัดงานพัดถวายพัดข้างหลังท่านเอาเห็นลุงมาไปกราบอ๋อุา ก, ก็ถามทักทายกันเรียบร้อย ก็ถามสมณะโคตมาท่านสอนอะไรตามุติไอหลานผมนี่มันไม่เชื่อใครง่ายๆเลยนะท่านหนึ่งเขามาได้ไงเที่ยงกันเทพรบพิตายมันยังไม่เชื่อผมเลยว่าไงนะเอ้าเทียงกันเรื่องอะไรอ่ะท่านสอนเขาเรื่องอะไรผมเออผมก็สอนเรื่องว่าอะไรที่มันถูกใจสิ่งนั้นมันถูกต้องทั้งหมดแหละอันไหนไม่ถูกใจสิ่งนั้นไม่ถูกต้องอ๋อจริงเหรอผมสอนห่าอย่างนี้ว่าไงอ่าอันไหนที่ไม่ถูกใจผมก็ถือน่งถือผิดหมดว่าไงอ่าอะไรที่มันถูกก็แสดงว่าต้องถูกใจด้วย ผมสอนอย่างนี้อ่าใจจริงหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าท่านเนี่ยอ่าใครคนหนึ่งเป็นศัตรูของท่านเคยฆ่าอาฆาตผู้บาต ท, ท่านก็ตามล้างเขาด้วยความพอใจอะพอใจที่จะตามฆ่าแก้แค้นเขาอะนะแล้วท่านฆ่าเขาตายท่านพอใจท่านมีความสูงมากที่เขาเห็นเขาตายเนี่ยถูกต้องไหมเอชักคิดหนักเลย <laughs> หรือ อีกคนอื่ท่านมีศัตรูเขากําลังตามล่าท่านเขาพอใจเขามีสูตรคื อ, อยากจะเห็นเห็นท่านตายเขาฆ่าท่านตายคิดว่าคนนั้นทําถูกต้องไหมฆ่าท่านตายเนี่ยโดนเข้าไปสองดอกชัางอึงแล้วในที่สุถามล็อกไปล็อกไาล็อกไปล็อกมาอย่างเงี้ยตอบไม่ได้สักคำอ้าวพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าที่ท่านสอนมาน่ยมันไม่ใช่สัจธรรมสูงสุดมันเป็นเพียงแค่เวทนา เป็นความรู้สึกความรู้สึกพอใจไม่พอใจเท่านั้นเองอันไหนท่านพอใจท่านบอกว่ามันถูกมันไม่ใช่อันไหนถ้านไม่พอใจถ้ามันผิดมันไม่ใช่อันนั้นเป็นความรู้สึกก็เอาเวทนาเรื่องเนี่ยโธมนะสาวเวทนาโสมานะสาเวทนาวเทศอย่างที่เราพูดกันเนี่ยปากรวดว่าพอก็คงใช้เวลาหลายชั่วโมงนะพอจบคนข้างหลังเกต บรรลุธรรมเรียบร้อยเลยในะเรื่องฝังเรื่องเวทนาแต่คนข้างหน้าได้เพียงวัสดาบันลุงได้ดวงตาเห็นธรรมแต่หลานได้เป็นพระรหานธรรมากันเดียวกันนะสอนเรื่องเดียวกันแล้วคนเดียวกันแต่ว่าได้ธรรมะคนละขั้นเพราะเข้าใจเรื่องเวทนาเมื่อวานที่จะตนชเช้าเรื่องอธิบายเทนาอย่างละเอียดมีใครบรรลุธรรมบ้างยังไม่เก็ตเลยนะยังไม่ได้ดวงอื่นแล้วได้ดวงกาเห็นธรรมบ้างแล้วก็ไม่รู้นะ <c oughs> เอพราฉนะนั้นเรื่องนี้ประมาทไม่ได้ทีนะเรื่องเวทนานี้นะ พระสารีบุตรก็เลยเป็นผู้มีปัญญาเลิศเพราะอะไรเพราะตราบใดที่มีสติกำหนดรู้เวทนาปัญญามันเกิดตลอดเวทนามีตลอดใช่ไหมเออเดี๋ยวมันปวดมันเนื้อมันแต่เราได้รู้มันไหมแต่กำนดรู้มันตลอดเวลาไหมนั่นไงปัญญาเราถึงไม่เยอะเหมือนท่านถ้าหากว่าท่านตามรู้เวทนาตลอดหนักเบาเปลี่ยนอยู่อย่างงั้นนะตั้งแต่ตื่นนอนจนเวลาโอ้โหปัญญามหาศาลเลยนะดังนั้นเอง อย่าลืมตัวนี้แต่การที่จะรู้เวทนาได้ตลอดมันจะต้องมีตัวอะไรตัวรู้ที่คงที่แจ่มแจ้งชัดเจนอยู่เสมอหายใจก็รู้พับตาก็รู้ไม่ใช่เป็นรู้โดยสร้างจังหวะโดยจง ก, กมเท่านั้นนะอันนี้นิดเดียวหนึ่งในร้อยเท่านั้นแหละแต่การที่เราใช้ชีวิตประจําวันที่เราเคลื่อนไหวเนะี่ยมหาศาลเลยใช่ไหมอาจจะ เอี่ยวจะเหลียวจะกลับจะเดินไะไเลยเนี่ยรู้ได้หมดเลยจะวางจะยกแต่เราเคยตามรู้น้องไหมนั่นไงข้ามหมดเลยข้ามเวทนาหมดแล้วปัญญามันจะเกิดได้ไงโลกุตราปัญญามันเกิดตรงนั้นทีนี้ต่อมาก็ปรากฏว่าเป็นที่อยอมรับของพระทั้งหลายว่าเมื่อผู้ทีเจ้าไม่อยู่เวลาแขกไปไทยมาก็ ให้ภาษาลิบุตรเทศแทนนะภาษาดูนอกจากพระเจ้าไม่มีใครปัญญาเหนือภาษาลิบุตทีท่นี่มันมีอยู่วันหนึ่งเหตุมันเกิดท่านก็ผ่าจาริกหน้าหน้าปลายฝนใช่ไหมฝนจะหมดแล้วท่านก็ป่าจาริกทุกดงไปตรงนั้นตรงนี้ที่ไปถึงแม่น้ําปลายฝนมันก็เข้าค่อนข้างใจแรงเนี่ยน้ามันก็หินก็ตามโขดตามอะไรมันก็เขินใช่ไหมก็เดินข้ามไป ตามลอกน้ําไปที่แม่น้ําอาจจะ ก, กว้างทีนี้ภาษาลิบุตรท่านก็ไม่เดินตามเพื่อนะ่ะท่านเห็นก้อนหินเนโดดจ้ำจ้ำ จ, จข้าไปนั่งรอยอยู่โน้นเลยก็โดดตามหินก้อนต่างๆไปไปนั่งลอยอยู่โน้นเลยพอไปถึงนี่นี่ผ้าที่ไปติดตามพระพุทธเจ้าไปไม่ใช่เป็นพาาาระละหันทั้งหมดอ่ะเป็นพระบรรดุชนก็เยอะเป็นพระบทใหม่ก็เยอะก็เลยไปถึงก็คุยกันไปตามทางอะไรพระพุทธเจ้านี่ ตั้งคนผิดเลยว่ออวัยยีกะลิงโนอีกะลิงเน้ทำไมเห็นบ่เป็นอระสาวกฝ่ายขวาเลิศทางปัญญาทำเขาคุยกันจับกลุ่มคุยกันใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็รู้รู้โดยพยานว่างั้นนะก็ต้องได้ยินว่างันเนาะอ่าพอไปนั่งล่มไม้กายยานุทาพิขเว ท่านทั้หลายสุนทราอะไรกันอ น, นี้เป็นสัมมนาประจําเลยน ะ, ะกายานุถาพิกเวสุนทนานเรื่องอะไรกันอ๋อเขาถึงเรื่องนินทานภาษารีบุตรว่าไงไม่รู้พระเจ้าพ่อองค์เลือกคนผิดหรือเปล่าภาษารีบุตรพื้นดิกรรมดูแล้วไม่น่าเลื่อมใสเลยอะไวลอกเล็กเล็กกะลิงเล อ, อเธอหารู้ไม่ว่าภาษารีบุตรที่จะเกิดมาชาตินี้ได้เธอเคยเป็นพยาวานอนมาห้าร้ชาติ โอ้โหเป็นหัวหน้าพยาวานอเป็นหัวหน้าลิงเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นพระอาหันต์ไม่สามารถจะละวาสนาได้ละกิเลสได้ละอาสวะได้แต่ละวาสนาไม่ได้วาสนาคืออะไรหลวงปู่คูนน่ะใช่ไหมนั่งสู่บุรีแล้วพูดตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าปีิลงมาคนธรรมดากูกูมึเมืองเท่านั้นแล้วใครถือสายกักกอนว่าไงให้โกรธเรียกว่าไงนั่นคือวาสนา วัสนาคือสิ่งที่ดินมาไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีใครถือสาเหมือนกันภาษาลิบุญเจเลวขนาดไหนจะแสดงพฤติกรรมบันลีกขนนะนั้นคือวาสนาพระอรหันต์ท่านไม่ถือสากันเพราะนั้นคือวาสนามันละไม่ได้คนที่ละวาสนาได้มีเพียงคนเดียวคือสัมมาสัมพุท ธ, ธาเท่านั้นอรหันต์ธรรมดาจะเก่งขนาดไหนละวาสนาไม่ได้วาสนาคืออะไรสิ่งที่เราเคยเป็นพฤติกรรมช้ํำซากมาหลายภพหลายชาติมาก่อนเพราะฉะนั้นคนเข้ามาจึงไม่ พฤติกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนบุคลิกอ่อนน้อมถ่อมตนบางคนกล้าว แ, แข่งแข็งกล้าพูดเสียงดังฟังชัดบางคนก็เป็นคนที่เรียกว่าพูดไม่เพราะกูกูมึงมงตามภาษานั่นบางคนเป็นผู้ดีมาจากตระกูลสูงใช้ภาษาสุภาพนุ่มนวลใช่ไหมแล้วก็ดูแล้วสะอาดสะอาดคนนี้ไม่เรียบร้อยดูเลยเคขัดอันนี้เป็นภาษสนาของแต่ละคน ดังนั้นก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายพิสูจนทั้งหลายฟังเกิดบ่อยเรื่องนี้ในสมัยนั้นอ่ะก็มีหลวงตาคนนึ่นก็พูดแบบหลวงพ่อคูนเนี่ยพระผู้ดีทั้งหลายที่มาจะเมืองรับไม่ได้กูกูมึงมึงเอาไปฟ้องพระพุทธเจ้าอะไรโกอะไรโกโกวัชะอะไรชื่อท่านนะนะว่าพระองค์นี้พูดหยาบว่างั้นก็จะปราบอวบัิท่านโอ้ไม่ได้นะเธอนี่ยเขเป็นพระละหันนั่นแนหะอันนี้เขาเป็นพระหลวงตาบ้านนอกนอ ก, ก็ไปอย่างนีน้เธอไปเอาอะไรหนักหนา เอาพระจ้า <laughs> แต่เขาเป็นพระหรหันต์นะเธอเป็นผุ้ดชนอยู่เลยอะ่ะเออพระทีเจ้าก็เลยปรามะนะามันนะปรามเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ธรรมดานะว่าถ้าหากว่าเราอยากจะมีปัญญามากอย่าลืมมันมีแล้ววัตถุนิพองเรานะ่ะใช่ไหมความรู้สึกทีแต่หัวจุดเท้ามีตอลอดเวลาเราได้ตามรู้มันต่อเนื่องไหมทําได้ตั้งแต่นี้สักสามเดือนดูสิไม่เชื่อจะมาบรรลุธรรมเฉยเลยอะ บางทีไม่ถึงสเดือนพูดได้อย่างช้าที่สุดไม่เกิน7ปีอย่างเร็วที่สุดไม่เกิน7วันน่ะเไม่รู้ว่าวันไหนวันหนึ่งก็แล้วกันภายในภายในเ็ปีเนี่ยถ้าขี้เกียจล้วก็เจ็ดปีถ้าหากว่าขยันหน่อยก็ตั้งเจ็ดวันถึงสามปีอะนั่นแหละเวทนาเยอะใช่ไหมเราตามรูมน้ไหมไม่ฟ o ล l o w อย่างเดียวฟอ l l o w อย่างเดียวนั่น ฟอรเีเจลี่อกับแล้วะนี่ทรนี่กับแล้วอเวิร์นพนี้นะเดี๋ยวเจลี่คนเดียวไม่ต้องแปลก็ได้เดี๋ยวคุณแดนไปแปลเองกนะเจลี่อเดเดฟิมาทอกงคุณแดนวินทรานสเลตฟอร์ยูว่าไอ o ไอมทอลกเกงเโอเคดอนร่อบัดังนั้นเรื่องเวทนาจึงเป็นเรื่องใหญ่มากที่เราจะต้องตามแม้แต่ เราจะตายถ้าหากเวทนาเรากล้าว แ, แข่งแข็งกล้าอยู่เร่าร้อนอยู่เนี่ยมันจะไปนรกได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเวทนาทำเวทนาให้มันเย็นสนิทก่อนที่เราจะเจ็บจะตายเพราะวิบากกรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะมากับเวทนาเขาจะอาศัยเวทนาเป็นเครื่องมือเล่นงานเราตอนที่เราเจ็บเราตายแต่พอเราจเจริญสติไปพามทำท ำ, ทำเวทนาให้มันเย็นสนิทเนี่ยมาน วิบากกรรมไม่มีโอกาสที่จะมาตอบสนองเพราะไม่มีสื่อถ้าเป็นไฟก็ไฟสายไฟที่ไฟไม่เดินน่ะเป็นฉนวนไฟไม่เดินแต่ถ้าหากว่าเรายังมีเวทนาที่ไม่เย็นสนิทเวทนาของโรคของโกดของหลงยังมีอยู่เวทนาของพอใจไม่พอใจยังมีอยู่นั่นน่ะเป็นที่มาของวิบากกรรมจะมาตอบสนองเราเพราะฉะนั้นจากช่วงนี้น่ะตามรู้เวทนาไปเรื่อยทำให้เวทนามันเย็นสนิทได้ยังไง ย่าให้เวทนาเราร้อน <c oughs> เวทนาเย็นสนิทแล้วมันกลายเป็นฉนวนพอเป็นฉนวนแล้วไฟแห่งวิบากกรรมทั้งหลายไม่มีเดินเข้าไปได้ตายอย่างสบายไม่ใช่เดินดินตายล่มตายกลัวตายก่อนจะตายก็มีสาสงยงใหญ่แล้วยโยงอย่างไปหมดไม่ใช่งไงเพราะเรากลัวตายเรายัางยอมหมอให้หมอทําอย่างงั้นนะหลวงพ่อเทียนก่อนที่เจ้นบุรณะพอเห็นท่าบอ หมอบอกว่าจะรักษาต่ออย่างนูอ่นอย่างนี้ท่านบอกหมอโรครักษาได้แต่ชีวิตรักษาไม่ได้เอาหลวงพ่อกับวัดสั่งเลยนะเพราะว่าหลานท่านเป็นหมอผ่าตัดอยู่คุณหมอวัฒนาพรุรมจักรก็เรียกว่าไม่ใช่หลานลูกบุญธรรมหมอวัฒนาลูกบุญธรรมลูกวัเทีนนั่นแนหะหมอวัฒนาตจะมาพอ ท่านทําอยู่โรงพยาบาลสมิติเวชเอาหลวงพ่อเทียนไปที่นั่นหมอก็พยายามแพลนที่จะทําำเงนินบอกว่าไม่ต้องละพอแค่นี้เอากลับวัดพอกลับวัดก็วันที่ท่านมรณะท่านก็เรียบเรียงสติเลยนะเรียบเรียงสติสร้างจังหวะนอนอยู่นะยกมือช้าช้าแล้วก็เทศเท่จนหมดเสียงแนละ้แล้วก็เดินจงกรมทม่านมายกขาให้ดูแค่นี้ เดีวาก็วางไม่ว่ า, ามือไปสบายเลยไม่มีจะต้องมาดิ้นพอเงือกพองแงมันไม่มีเวทนาท่านเย็นแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นหาบุทองเป็นคนเฝ้าดูดูเนี่ยโอ้โหพอหลวงพอ่ออ ง, งี้ไปท่านร้องไห้โฮเลยพราะเป็นภาพที่สวยงามมากอไม่ได้เกิดอาการวิปลิตผิดอะไรต่างเทศไปจนหมดเสียงแล้วก็สร้างจังหวะเดินจกรมแบบนอนนั่นแหละยกไปยกแขนให้ดูแล้วก็วางแขนลงปับ๊บแลก็ไปเลย อืมเพราะงั้นเราจะต้องทําตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าเราอยากจะตายแบบว่าไม่ต้องเกิดอีกนะถ้าดับได้ถ้าเวทนาอย่างเราร้อนเราตายลงเนี่ยไอ้ไฟตัวนั้นนะมันจะติดเวทนาจิ ต, จตวิญญาณเราไปไปเกิดใหมอ่อีกอ่าเพราะมันเป็นไฟแห่งการหาแต่ถ้าหาเวทนาเราเย็นเนี่ยจิตวิญญาณตรงนั้นมันดับไม่มีเชื้อเหลืออยู่มันก็สนิทก็นั่นคือเรียกว่านิพพานนั่นแหละ หมายความเมื่อต้องไปเกิดอีกแล้วเพราะมัมีเชือ้อไฟแห่งราคะโทสะ่สาโมหะมันเย็นไปแล้วมันดับไปแล้วอะนะก็โดยอาศัยตัวสติสัมยาที่เราตามรู้นี่แหละตามรู้ไฟอะไรเข้าม า, อ, าออกใช่ไหมอันนี้ไฟอะไรเดชเสด็จเข้ามาที่ติดหมดเลยเอไฟโลภเข้ามาติดกูยอยากอาหารแล้วอาหารดีๆอยู่ที่ไหนเล่าร้อนขอนขวายหาแล้วอได้ลาบสักหะมาดีๆเอาที่ไหนก็อยากจะได้เพิ่มก็บีบไฟมันกินเชื้อไปเรื่อยๆอะไม่หยุดอ่ะเวลาไม่พอใจขึ้นมาก็เอา แสดงความไม่พอใจไฟมันยังติดวิญญาณอยู่หลูประมาทไม่ได้เราจะต้องเริ่มดับไฟตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือดับพระเวทนาทําเวทนาให้เบาบางยังไงเออพูดถึงเรื่องเวทนาว่ามีอยู่ข้อหนึ่งในโพธิราชกุมารสูตรลูกของพระเจ้าประสิิ์ที่โกศลหรืออะไรชื่ออภัยกุมอภิราชกุมารทําหน้าที่แทนพ่อไปออกรบจั บ, บทัพจับศึกมาว่าหนึ่งกองทัพผ่านมาทางที่ พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ดึกละก็เห็นคนนั่งฟังท่านเต็มท่านก็ลงไปไปถามไปฟังจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเทศจบแล้วพวกชาวบ้านก็กลับกันท่านอยู่ท้ายบริษัทไม่มีใครเห็นนะก็แอบเข้ามาพบพุทธเจ้าก็มาถามปัญหาว่าค่าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นคนบริหารบ้านเมืองมีภารกิจมากมายแต่มาฟังธรรมของพระ อ, องค์แล้ว สูขุมลึกซึ้งละเอียดทีท้วนแล้วคนอย่างข้าพเจ้ามีภารกิจทั้งวันเนี่ยจะมีโอกาสไหมจะเข้าถึงธรรมวันนี้พระเจ้าบอกมีแน่นอนแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขหอย่างถ้าทําตามเงื่อนไขห้าอย่างนี้อย่าว่าแต่มานั่งฟังธรรมมีการงานยุ่งขนาดไหนก็ยิ่งดีเหมือนกันแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขห้าอย่างหนึ่งมีศรัทธาที่จะรู้จักตัวนี้ไหม รู้จักตัวตื่นรู้นี่ไหมสองมีศรัทธามากไหมที่จะรู้จักตัวตื่นรู้สองเมื่อมีศรัทธาแล้วพยายามไหมที่จะตามรู้อ่ะมีความพยายามได้ไหมสามให้มีเวทนาเบาบางนี่ข้อนี้สําคัญคือหมายความว่าจะให้มีเวทนาถ้าเวทนามันเวลามันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันหิวมันเชื่อมันเพีแล้วไม่บําบัดเนี่ยมันเหมือนก็ไปสั่งสมเวทนาให้เล่าร้อนแต่พอไปบําบัดแก้ไขให้มัน เบาลงเส้นเนี่ยเวทนาตรงนั้นก็ดับไปทําเวทนาให้เบาบางแต่มันตรงกันข้ามกับภาคกรรมฐานทั่วไปใช่ไหมนั่งลงไปสามชั่วโมงหชั่วโมงไม่ต้องเปลี่ยนเลยน ะ, ะว่าอดทนขนาดไหนนะเฮ้อแข่งเลยนะแกสมชั่วโมงฉันหชั่วโมงฉันไม่ขยับเลยนะอย่างมหาไฟเล่าใช่มนั่ออนงยี่สิบสี่ชั่วโมงอนะไรปะนั้นเอาคนเน่นกันขนาดนั้นเลยนะว่าใครจะเก่ง นั่นไปลื้อสีหมดล่ะไม่ใช่พุทธพุทธเจ้าบอกว่าให้มีเวทนาเบาบางเ่ยแล้วนั่งแค่ชั่วโมงเดียวต้ยึดทั้งตัวแล้วใช่ไหมเวทนานะแล้วหลายชั่วโมงจะขนาดไหนมันก็ออกมาเป็นมณอัตาหมดกรรมฐานเราไม่ออกมาเป็นปัญญาเพราะทําเวทนาหนักแต่ในพุทธิราชกุมารสุบทบอกให้มีเวทนาเบาๆงอันที่สอันที่สี่เป็นคนตรงไปตรงมาอย่าไปคิดซิกแซ อันนั้นอันนี้สงสัยหลายเรื่องไม่ได้ยากคือจะไปสงสัยเยอ ะ, อะหมายความว่าฟังอะไรก็ฟังตรงๆก็ทําไปเลยคืออย่าไปคิดเลี้ยวรดแบบนักปรีญา น, นักจิตยาไม่ไม่ได้อันที่สอันที่สี่นะมีจิตซื่อๆฉ่นใช้คำว่ามีสัญชาติยานแห่งคนตรงตามภาษาท่านฟังยากใช่มบ่เราบอกให้รู้ซื่อๆ น, นะภาษาหลงวงพเทียนนะ ออไม่ต้องไปรู้โคตรๆนะรู้ซื่อๆนะมันนะหู้ซื่ออ่านที่ห้าให้มีสติสัมยะปกติที่จะพัฒนาให้เจริญได้ถ้าคนสติสัมยาปกค้องสติสัมย ะ, มยะไม่สมบูรณ์นะคนออวิปริตผิดแปลกเนี้ยก็ไม่ได้ละให้มีสติสัมยะปกติที่สามารถจะพัฒนาให้เห็นการเกิดดับได้ห้าอย่างเนี่ยจําได้ไหมหนึ่งให้มีศรัทธานในตัวรู้ 2. พยายามทำตัวรู้ให้ปรากฏเสมอสทํทำเวทนาให้เบาบาง 4. เป็นคนพัฒนาตัวรู้ซื่อให้ได้ 5. มีสติสัมยะที่ปกติที่สามารถเห็นการเกิดดับของจิตได้แค่นี้ถ้าสมมุติว่าพระ อ, องค์ทำได้หอย่างแค่นี้บอกว่าอย่าว่าแต่ปีหน้าเลยบางทีทำวันนี้อาจจะรู้พรุ่งนี้ก็ได้าารู้พรุ่งนี้อาจจะรู้วันต่อไปก็ได้ ทันท้าขนาดนั้นเลยนะแต่ต้องมีเงินขายห้อย่างเนี่ยดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ตรัดเล่นๆเลยต้องมีสัจจะอยู่ในนั้นแต่ที่เราจะทำได้ไหมแค่นั้นเองเรื่องของเรื่องนะเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเรื่องนี้เพื่อที่จะเป็นอ่าเพราะว่าปัจจัยให้ได้ตัวรู้ตัวตื่นตั ว, วอกบานเป็นอ่าแสงสว่าง ประจำชีวิตให้สองเห็นสัจธรรมต่างๆในตัวของเราเองด้วยการทุกคนทุกท่านถือ